ต่อเอกเพื่อเป็นส่วนประกอบกับการศึกษาปฏิปัติขอให้ผู้ลู้ทั้งหลายลองศึกษาดูว่าชีวิตของเรานี้มันควรจะมีอะไรที่มันจะได้ประโยชน์จากชีวิตของเรา มันมีอะไรที่ยังมันเป็นทุกข์เป็นโทษที่มีชีวิตเราเนี่ยว่อยทิ้งไว้ได้มีกายมีใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนี่มีมากที่เด็ดก็พันห้าตันหาก็ร้อยแปดมีความเกิดแก่เจ็จบตายที่เป็นเป็นทุกข์เป็นทุกข์เท่างหาย เช่นนี้จะชิงไว้ไม่ได้มันทาได้ทําไม่สำเร็จได้เราจะหลงไปนานเท่าไหร่เราจะทุกข์ไปนานเท่าไหร่เราจะโกรธไปนานเท่าไหร่ความทุกข์ความโกรธความโลภความหลงมันเกิดมาลักษณะแบบใดมันจะแก่ไม่ทางแค่ได้ไหมเรืจะต้องยอมไปเช่นนี้ เวลามันโกรธก็ทำตามความโกรธเขาทุกทนเดนแล้วคนอื่นชิงอื่ น, นวัตถุอื่นเวลอมันทุกข์ก็เป็นทุกข์เป็นโทษพัวพันไปอีกหลายอย่างก็เลยไม่น่าจะทิ้งไว้จริงแล้วนี่มันแก้ได้ลองมาศึกษาวิชากรรมฐานนี่ลองดู มีสติเปนเนกาอยู่เป็นประจำลองดูตั้งต้นอย่างนี้ลองดูไม่ใช่ไปแก่เมื่อเหมือนเกิดอะไรขึ้นมาแล้วบางอย่างแก้ได้บางอย่างแก้ไม่ได้บางอย่างไม่ต้องเลยแก้เราทำได้แล้วเพี่นความหลงจกไปแล้ว ความโกดธควทุกข์จบไปแล้วไม่มีอีกแล้วเหมือนพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเทศนากันแรกว่าถ้าหากมันมีเราเห็นแล้วไม่ให้มีที่ตั้งสติจะไม่ให้ความโกรธมาตั้งไว้ที่กายที่ใจไม่ให้มีที่ตั้ง เลลดคืนทำให้ไม่มีไม่เปลี่ยนได้ไม่มีค่าไม่มีรสไมชาตทำได้แต่ถ้าเราไม่มีไม่มีสติมันจะมีรถมิชาติความทุกข์ก็เป็นรถชาติความสุขก็เป็นรถชาติความพอใจความไม่พอใจจะเป็นรถเป็นชาต ผู้มีสติจะไม่มีรสวิชาติเหล่านั้นจะมีภาวะที่เห็นนั้นหลงเห็นถ้ามีสติได้ใช้สติถ้าไม่มีสติก็ไม่ได้ใช่หลงก็หลงไปเรืงท่องดุนเลยถ้ามีสติจะรู้สึกตัวกลายเป็นความรู้สึกตัวตมีอะไรก็กลายเป็นความรู้สึกตัวไป วิชากรรมฐานเป็นอย่างนี้เรามีความรู้สึกตัวจึงได้ใช้ความรู้สึกตัวใช้ได้หลาอหย่อนโกบปวงจรที่สิ่งเกิดขึ้นกับกายกับใจที่มันไม่ใช่สติเปลียนมาเป็นสติทั้งหมดเลยในมันคิดก็รู้ไม่ให้ความคิดเป็นความคิด อะไรที่มันเกิดขึ้นเกิดป่ากับใจรู้สึกตัวง่ายง่ายไม่เป็นไปกับมันมันหลงเห็นมันหลงไม่ได้เป็นผู้หลงมันทุกข์เห็นมันทุกข์ไม่ได้เป็นผู้ทุกข์มันผิดเห็นมันผิดไม่ได้เป็นผู้ผิดมันถูกเห็นมันถูกไม่ได้เป็นผู้ถูกมันฟุ่งซ่านเห็นมันพุ่งซ่าน มันสงกเพ้นมานสงกลองดูอย่างนี้ดูซิไปถึงไหนกันผ่านได้ตลอดเลยถ้าเห็นถ้ารู้ได้เห็นแล้วจบแค่นั้นสิ่งต่างๆถ้ารู้สึกตัวจบลงแล้วเป็นดินสุดแล้วต้องหลงกลายเป็นความรู้ถ้าความหลงเป็นหลงไปไกลไปถึงกิเลสตัณหา ไปถึงปัญหาไปถึงทุก ถ, ถึงโทษเ้อหลงเป็นลู้สึกตัวจบลงแล้วเหมือนเปล่าเหมือนปล่ปาข้าศึกนดมันเป็นธรรมที่เป็น อาบุตก็ว่าด้ควมรู้สึกตัวเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นมีความรู้สึกตัวนี่ถูกต้องที่สุดจนไม่มีอะไรจะเกิดต้นหลัไปเรื่อยๆไปเมื่อมีความรู้สึกตัวเกิดขึ้นมันก็เห็นความหลงเห็นความหลงเป็นความรู้ เราก็บุกเบิกไปแล้วไม่ใช่หลงเป็นหลงบุกเบิกไปแล้วเป็นทางไปแล้วเห็นเป็นทางไปเช่นแล้วไม่ได้ตันเลยถ้าเป็นหราตันหลงเป็นหลงตันเช็นแล้วหน้าผาทุกเป็นทุ ก, กตันแล้วโกรธเป็นโกรตันแล้ว หลงหรือว่าชนหน้าพาไปไม่ได้เป็นขึ้นก็ว่าได้ขึ้นชีวิตก็ว่าได้หน้าหลงเป็นรูปมันเรียบๆใช่ได้จริงๆความรู้สึกตัวเนี่ยขอ้ยเราได้ประโกบขึ้นมามีสติปะเญกายอยู่เป็นประจำขึ้นมา ไม่มีอะไรลูปรูปไปกับกายเนี่ยเป็นรูป ก, กรรมฐานเนี่ยในสมัยที่พระเสียถจฝึกนี่ก็รู้แขนเข้ารู้ศึกเหยื่อแนโหนรู้ศึกเนี่ยมันก็รู้ได้เนี๋ยวรู้แขนเข้าก็รู้ศึกเหย่อแขนโรู้ศึกทำอย่นออ เ, ยยเนี่ยให้มันโตเนื่องลองดูซิ เมื่อจึงจะใช่นั่นจึงจมีสติใช่ถ้าไม่มีสติเป็นไปในกายหลอกมันก็กายก็ผิดเยอะแยะไปเลยความร้อนกายเป็นความร้อนความหนาวกายเป็นความหนาวความปวดกายเป็นความปวด ความหิวกลายเป็นความหิวถ้าหิวก็มีอะไรต่อไปอีกถ้าปวดก็มีอะไรต่อไปอีกอะไรมันกระทบกระเทือนไปทั้งไหนแต่ถ้าเห็นเห็นมันปวดไม่ได้เป็นผู้ปวดเห็นรู้สึกตัวเห็นบ่อยๆมันได้คำตอบนี่คือ อาการที่มันเกิดกับกายนะขอบคุณควมปวดถ้าไม่รู้จะปวดก็ไม่ใช่กายไม่ใช่รูปแทนที่จะเป็นทุกข์แทนที่จะมีปัญหาความปวดทําให้เกิดความรู้สึกตัวด่วงเกินเพรา ะ, ะที่เก่าที่เคยเป็นความทุกข์ก็เหมือนกัน มันมีทุกมันเป็นทุกมันจึงมีความรู้สึกตัวโอบคุณโขมทุกขอบคุณโขณมหลงถ้าไม่มีหลงไม่มีความรู้สึกตัวไม่ได้กระทำให้มันดีทำกับคขมหลงให้มันไม่หลงมีความรู้สึกตัวเนี่ยมันมีมันมีมันมีที่เกิด มันเป็นรูปเป็นเบธนามีสัญญาสังขารวิญญาณในรูปในนามนี่ในกายในใจนี่ในรูปเป็นภกเป็นชาติอยู่ในรูปเป็นตัวเป็นตนอยู่ในรูปอะไรก็คือกูคือตัวคือตนไปในเวทนาที่มัเป็นสุขปุถุก็มีพภพมีชาติอยู่ในนั้นเป็นตัวเป็นตนไป ในสัญญาที่มันติดอะไรมาตืเพื่อนอะไรมาชีวิตของเราเนี่ยเหมือนก็ไปเป็นพกเป็นชาติในสัญญานั้นก็คืนว่าวันกลองวันว่ายคิดหมกมุ่นคุ้นคิดบางทีความคิดเฉยเฉยนอนไม่หลับจึนเข้ามัลง มันมีอะไรมันมีสัญญามันมีสงครามมันปุง้งก็ตั้งจากความหลงความคิดขึ้นมาก็ปุ้งไปเลยไม่แต่ความเก็บปวดก็ปุ้งไปไกลเป็นทุกข์เป็นโทษไปความหิวก็วปุ้งไปไกลเป็นสงครามได้เพราะความหิวแทนที่จะขอบคุณความหิว ถ้ไม่หิวมันอยู่ไม่ได้ลูกเนี่ยต่ใหชื่นใจว่าอมันหิวก็ดีแล้วมันทุกข์ก็ดีนี่คือทุกข์มันก็คือทุกข์กจะให้มันเป็นสุขอย่างไรต้อมีสติจะเห็นอย่างนี้นะหลงใจเป็นลูกอย่างไรนี่คือหลงก็เห็นแล้วมันแสดงมาที่ใดก็คือหลง ความทุกข์แสดงคืออมตะเลคือความทุกข์มันไม่เป็นอันอื่นมันมีอันเดียวเท่านี้ทําไมเราจึงทําไม่ได้เชียเปรียบความทุกข์มามากเท่าไหร่เสียเปรียบความโกรธมามากเท่าไหร่เป็นเงานเท่ๆเลยงานเขาหล่นเท่ๆเลยเชียหายนะเชื้เียบความหลงเสียเปียบความโกรธเสียเปียบความทุกข์ เฉียบเฉียบความโลคทําไมอะไรเกิดขึ้นมากปาอาปอะทบปะเือน์ไปมากทีเดียว่หอะไรมันเกิด <รา S 2> ที่ <รา S 2> คนเนี่ยไอ้คนมีธรรมสละมก็จะดีไปหลายอย่างเป็่นดินเป่นป้าต้นไม้อากาศแม่น้ำห้วยหนองคองมังก็จะดีไปเองโตคนไม่ได้ ถ้าไม่เกิดทุกข์เกิดโทษไม่แต่จะช่วยเ้อมันมีความดีมันก็ทำความดีได้อโอด้ดีทำดีคิดดีเรียนชีวิตดีการงานชอบตั้งสติชอบต้องจิตใจชอบมันก็โชคไปหลายอยา่างแต่คนยังไม่ดีนี่แม้จะมี เม็ดหินเม็ดทายเป็นทองคําก็ไม่เพียงพอต่อวงโรคของโกรธของหลงของคนต้องบาเอาตัวเราเนี่ก่อนต้นมาอยู่ที่นี่อยู่ที่รูปที่นามอยู่ที่กายที่ใจเรานี่ต่างคนต่างดูแลตัวเองให้มันคุ้มมีสองอย่างเท่านี้มีกายมีใจ มันไปทางไหนนั่งอยู่นี่มันอยู่กับใครไหมคิดใจ อ, อย่าปล่อยมันทิ้งเวลานี้เรานั่งอยู่นี่ก็มันคิดไปกลับมาสอนมันซะอย่าให้มันสุกซนสมสอ น, สสอนคิดอะไรก็ได้หรือใจเนี่ยนี่กรรฐานกลับมาเจอได้ มันคิดไปกับมาลูกมงนได้ความรู้จักความคิดความลงแต่เราได้ดูแลมันถ้าดูแลกายมีสติดูแลกายใจมันก็เป็นศีลและความชั่วทาความดีจิตบริสุทธิ์ไม่ต้องว่าสักคำปานาติปาตาเวลามะนันไม่ได้ว่ามันมีมันคิดมันก็ไม่กล้าคิดมันอาย เมื่อไม่กล้าคิดมันอายมันจะไปทําชั่วทางกายได้อย่างไรมันจะไปพูดพั่วทางวายใจได้อย่างไรมันรู้ตั้งแต่มันคิดขึ้นมารู้ตั้งแต่มันหลงขึ้นมาทุกคนแบบนี้มันจะเกิดไหลขึ้นโลกเนี่ยตรงนี้แน่นอนไม่สามารถที่ไปช่วยอะไรให้คนนี่สะดวกอย่างอื่น นั่นก็ช่วยได้เต็มบานเต็มเบืองอยู่แล้วมีรัฐมนตมีนายกรัฐมนตรีมีผู้แทนมีรัฐบาลมีอะไรต่างๆคนก็ยังหลงยังโกรธยังทุกข์อยู่ยังมาแช่ตรงนี้กันเถอะนับหนึ่งจากตัวเราเนีรับผิดชอบตัวเราเนี่ยมันหลงไปรู้สึกตัวเนี่ย แล้วเราเนี่ยมันเกี่ยวข้อกับอะไรมีกายมีใจนอกจากนี้ก็มีพ่อแม่ปัจจาสามีลูกเต้าเราหลานมีอะไรต่างๆที่เราใช้อยู่เนี่ยถ้าเราไม่มีคุณธรรมเกิดจะ ก, กาอจะแก่แล้วแผ่นดินก็จะมีแต่พิษตะไคอากาศก็มีแต่พิษตะไคเช่นทุกวันนี้ เดินทัพไยุดต่อตุ่มน้ำลำปะเทาอผ่าน ห, หมู่บ้านใดเอาสารสุปกไปด้วยตรวจเลือดประชาชนชาวบ้านแปดสิบเอร์เซนมีเลือดบวกสารพิษบางคนก็โวยวานมันบวกได้ยังไงไม่เคยฉีดซื้อผักกระหลาดมากินไม่เคยกินของที่มีพิษมีภัย คุณเดินไปไล่ไปสวนไหมญญเขาเดินไปทางที่เดินไปแต่มันมีคนขีดยอไหมมีก็พาไล่เาสิทธิ์หญ้าตายเลยแล้ก็ไ ป, ไปอย่างนะแผเนดินก็เป็นไผ่แต่ก่อนกินน้ํำลอยวัวรอยควายได้เดี๋ยวนี้ไปกินได้ไหมในน้ํำ ม, มันมีอะไรตัวนี้มีไม่งงหยั่งไหมมีเออ แ ม, ม แ, มงงแม่งคลนสู้ไปแม่งยังมันพอยใหญ่แม่งก้องแย่งแม่งเคลนสู้แม่งก้องแขน <c oughs> เดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วมันมีหนอนในน้ำํำนะแล้วมั น, นมีหนอนน้ามีหนอนมันเกิดอะไรเกิดน้ํามันเล่าแลว้วหนอนจึงเกิดแต่ก่อนเน่ยในน้ำเนี่มีแต่ของกินเดี๋ยวนี้กินไม่ได้น้ําก็ใช่ไม่ได้ มันเกิดอะไรขึ้นโอ้คนนี่แหละถ้าจะดีจะมีกฎหมายห้ามมีสันสุขมีความรู้รู้ว่าชั่วรู้วดด่าดีโกดไม่ดีหลงไม่ดีทุกไม่ดีแล้วยังโกดยังหลงยังทุกอยู่แตนยังไม่ไปถึงไหนวิชากรรมฐานเนี่ยมันตัดต้นตองหลอกนะ พอมันหลงลู้ขึ้นมาทางกายมันหลงรู้อะไรรู้ใช่ได้ใช่ได้ผมรู้สึกตัวเนี่ยโอน ล, ล่าเลยความหลงความโกรธควาเหาต่างๆโอน ล, ล่าหลงทีแรกก็จะสู้สักหน่อยยากง่ายที่จะหลงทําใหม่ๆเนี่ยหลงไปในความคิดมากที่สุด นงไปในทางตาทางหูเป็นข้างเป็นข่าวนงไปทางกายาเวลารอ้อนเวลาหนาวเก็บปวดเป็นบางข้างบางข่าวบรรเทาได้ถ้าหลงไปตามความคิดไม่รู้จะบรนเทาอย่างไโจนโขความคิดทุกข์เพราะความคิดจะทำอย่างไรไมีปัญหามากชีวิตของคนทุกวันนี่เป็นทุกข์เพราะความคิด ดีคืนมาทุกบกบังเหลือเกินชีวิตของเราเนี่ยจะให้ใครอาศัยเราไม่ใจก็ยังพึ่งจิตใจไม่ได้ใจ ใ, ใครมาพึ่งเราได้ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรไม่มั่นใจตัวเองคุมร้คุมดีฟูฟูแพบแพบนี่แหละจะดีได้งานได้การแล้ว ว่าจะยกมือเคลื่อนไหวรู้สึกตัวมันหลงรู้ให้มันหลงนะั่นแหละงานแล้วเ่าเลยเวียนหลงเป็นรู้มันชอบที่สุดเวียนทุกเป็นรู้ชอบที่สซ้ำไม่มีทุกนะถ้ามีความโกรธก็เปลี่ยนโกรธเป็นรู้หลงโดยมันไปไม่ถึงไหนแล้วมันอ่อนล่าได้เหมือนพระเจ้าแสดงธรรมแก่ปัญจคีร์กันแรก สลัดคืนจาโคไม่สลัดคืนโดวยเฉพาะโคไม่มีที่ตั้งไม่ให้ค่าไม่ที่อาศัยมีความรู้ไม่ให้อะไรอาศัยมีความรู้เป็นใหญ่ที่สุดเลยในกายในใจนี้เอดื่นอาศัยไม่ได้เลยไม่เป็นธรรม รวมหลงไม่เป็นธรรมรวมรู้เป็นเป็นธรรมที่สุดรวมทุกข์ไปเป็นธรรมรวมไม่ทุกข์รวมรู้สึกตัวเป็นธรรมที่สุดรวมโกรธไม่เป็นธรรมรวมไม่โกรธหรือรมรู้สึกตัวเป็นธรรมที่สุดไม่จริงอันอื่นไม่จริงเออใส่ได้ยังไงมันต้องเป็นอย่างนี้บอกคินไม่มีที่ให้อยู่ไม่ให้คุณค่า ถ้ามีสตินะถ้าไม่มีสติมีคุณค่ามากแต่กูได้โกรธตายไม่ลืมนะแต่กูได้โกรกกูไม่ด่ามันกูไม่ยอมทําตามความโกรธได้ไม่รู้จะอายนลแม้แต่หลงก็ไม่อายนะกว่าจะถึงความโกรธมันด้านที่สุดแล้วดื้อด้านแล้วจิตที่ดื้อด้านสุกสนสมสนสโสเภณี หิ้วไเท่าไหร่ก็ได้ลิขิตเนี่ยเราจึงมีความรู้สึกตัวเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของจิตใจไม่ใช่เป็นสาธารณอนะไระมาใช่ก็ใช้ไปเลยความโกรธความโลภความหลงความรักความชังความพอใจไม่พอใจว่าใช่ก็ทําตามมันไม่ได้ เสหายมีผม ก, กระทบกระเทือนต่อสิ่งอื่นวัตถุอื่นคนอื่นมากมายมีผมกระทบต่อตัวเองด้วยเ <c oughs> ละากดบ่อยเ ป, ไป็นโรคกลัพราะอานัรได้แม้แต่การอยู่การกินนี่เก็บไข้ตดดป่วยเป็นผลจากการกระทำของหลงเนี่ย มันจะเป็นวงจรที่ดีที่สุดปฏิบัติธรรมนะี่ยขอถ้าถ่ายกับโลกจะมีไปทางไหนความโกรธความโลภความหลงของที่เกิดอยู่ในคนนี่มันจะจบได้แน่นอนโดยวิชากรรมฐานเป็นยังไงมาก็มาจะเอาวิชานี้เข้าไปที่เล่าที่ยามาก็ได้ ว่าแต่วันหลงเที่รู้ขึ้นมารู้ขึ้นมามีขวัญรู้ตั้งอยู่เนี่ยหนึ่งวันเจดวันลองดูหนึ่เดือนเ็เดือนลองดูสิคิดไปกับมามันฉุกกลับมารู้จักตัวมันทุกข์กับมารู้สึกตัวมันหลงมันผิดมันถูกรู้จึกตัวมันสงบวันฟุ้งซ่านรู้จักตัวเนี่ยนี่เป็นกรรมฐานง่ายง่ายไม่ยาก บางทีมันเกิดสะดวกนะสะดวกในความหลงได้ความรู้นะได้ความสะดวกจากความไม่สะดวกไ ด, ได้ปัญญาจากปัญหาแน่นอนที่สุดเลยปัญหาที่ไหนมันมีปัญญาวิชากรรมฐานีปอย่างนี้ได้เหมือนวิชาทางโลก วิชากรรมฐานฟังดูที่ปฏิบัติตู้ตกทักท่วงตรวจสอบเียนก่อปฏิบัติคือกลับมามาลูกสจกตัวนี่เรียกว่าปฏิบัติไม่ใช่เรียนลูกลูกใครก็สอนได้มีสถาบันตอยตอยที่คนอื่นสอนในลูก แต่การทําให้เป็นนี่เราต้องสอนตัวเราเองมันหลงรู้สึกตัวเป็นไหมมันทุกข์รู้สึกตัวเป็นไหมเวลามันโกรธรู้สึกตัวเป็นไหมทํ า, ทาเป็นไหมเนี่ยทำเป็นอย่างนี้ไม่มีใครสอนเรามีเราเนี่ยสอนตัวเราเองคนอื่นสอนใไม่ได้หลงก็หลงเองก็ต้องรู้เองปฏิบัติ ด, ด้วยตนเองปฏิบัติคนเดียว เป็นทางเดินไปที่เดียวกันไปทางเดียวกันไปคนเดียวไม่มีคู่นี่เสติมันหลงเราเคยเจอเราเนี่ยรู้ซะทำให้ไม่เป็นเยทำเป็นเนี่มันไม่ใช่รู้นะไม่ลืมหรอกมันไม่ลืมทำเป็นเนี่ยไม่ลืมเป็นภาคปฏิบัติไม่ชากไม่ใช่ภาค เรียนลูกวิชากรรมฐานเป็นภาคฝึกขัดออกกายเป็นสนามฝึกให้ลูกสมวงรภูมิของกายของใจตามความเป็นจริงมันเกิดอะไรคืออยู่ที่กายที่ใจนี่ไม่มีใครเห็นม่แต่เราเห็นมันนี่คือความหม่เที่ยงจะให้เป็นเที่ยงยังไงนี่คือความเป็นทุกข์จะเป็นสุขยังไง นี่คือความไม่ใช่ตัวตนจะให้เป็นตัวเป็นตนได้ยังไงได้ปัญญาตรงนี้ไม่น้อยนะตกแหลงแห่งปัญญาตกแหลงแห่งความรู้ตรงนี้เยอะแยะไปก้วงใหญ่ไปสอนเห็นรูปเห็นนามตามความเป็นจริงรูปมันจะบอกนามมันจะบอกว่ามันคืออะไรรูปนี่นามนี้คือกายคือใจนี่มันบอก มันบอกให้เราได้รู้ได้เห็นเหมันแสดงแล้วก็เลยรู้แก้งรู้แก้งจีงที่เหมันแสดงที่มันบอกผิดบอกถูกถ้าเรามีสติจริงๆหลงไม่กี่โ ล, นลบนะจุดจางได้เหมือนพูะเจ้าแสดงธรรม มาจับเรารู้ตามความเป็นจริงเป็นอย่างนี้ทุกเรารููแล้วเราได้เห็นแล้วทุกเราพ้นจากทุกแล้วเหตุได้เกิดทุกเราเห็นแล้วเราทําแล้วทําได้แล้วมีความรู้ตามความเป็นจริงว่าทุกไม่กําเบิบขึ้นแก่เราแล้ว ไม่เกิเบแล้วเราจึงได้ปฏิญาณว่าได้ตัดสู้เฉพาะเฉพาะหน้าแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายโค้มหลงเป็นขั้งสุดท้ายโค้มทุกขั้งสุดท้ายโค้มขู่ขั้งท้ายได้เป็นชาติสุดท้ายแล้ ว, ไ ม, มวไม่มีภพเป็นภูมิอีกแล้วในรูปในนามนี้ไม่เอารูปในนามมาเป็นภพเป็นภูมิใช่ได้เหมือนพเพื่มแผย ขี่ข้ามภาพเอาใช้รูปอาใช้นาำเนี่ยเป็นเครื่องมือเอาไม่มีรูปไม่น้ำเนี่ยจะทําอะไรไม่ได้เลยโกบคุณรูปโกบปคุณน้ำที่มันมีให้เราใช้จะเป็นมากเป็นผลเป็นบุญเป็นกุศลอยู่ที่นี่ทั้งนั้นความทุกข์อยู่ที่นี่ความดับทุกข์อยู่ที่นี่วิธีทําให้เกิดความดับทุกข์อยู่ที่นี่ดับได้ก็ดับที่นี่จนไม่มีไม่เป็นอะไรครับบารมี เห็นหมดแล้วมันสุขเห็มันสุกไม่เป็นผู้สุขมันทุกข์เห็มันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์ไม่เป็นอะไรกับอะไรจบหมดแล้วความเกิดความแก่ความเก็บความตายมันคืออะไรความไม่เป็นอะไรมันยิ่งใหญ่ไพศาลอะไรมาตั้งอยู่ที่นี่ไม่ได้เลยควานเก็บจะมาตั้งอยู่ความไม่เป็นอะไรไม่ได้ ร่วมแก่จะมาตั้งอยู่บนไม่เป็นอะไรไม่ได้ร่วมตายจะมาตั้งอยู่กับชีวิตที่ไม่เป็นอะไรไม่ได้เลยไม่มีให้ตั้งไม่มีให้วางพวกมันไม่มีอะไรอยู่แล้วมันจึงอยู่เหนือก่อนเกิดเจ็เจเ็บตายตั ว, วาชาติสิ้นแล้วพระมนจรรย์อยู่จบแล้วจิตอื่นที่ต้องทําไม่มีอีกแล้วพระเจ้าอุทานออกมาจากพระโอษของพระองค์แต่ก่อนเราไม่รู้ เล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นเด็กขีชาติความคิดจเยาเท่าไหร่เป็นวัตตะสงสารวัตตะวัตตะกิเลสกรรมไม่บากกิเลสมันเกิดจากอะไรอะไรเป็นกรรมในวัตตะนี้ กิเลสกรรมวิบากอะไรเป็นตัวกรรมแล้วจะตัดตรงไหนตัดกรรมตัดตรงไหนว่าจสามกิเลสกรรมวิบากเหมือนกคตัดที่กรรมกรรมฐานนีพอดีพอดีกรรมคืออะไรการกระทำตัดการกระทาแม้แต่ความคิดก SO e. um, ็เป็นการกระทานะ คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนั่นยำคิดเรื่องเก่ายำคิดเรื่องเก่าเป็นกรรมเพียงแต่รูขึ้นมาปับ๊บตัดไม่คิดมันคิดไปรูตัดกรรมแล้วตุตุรีมันคิดอยากจะสูบุตรรูขึ้นมาสูบเป็นกรรมติดเป็นจินตเลศอยากเป็นวิบาก โอ้ส so so so ูบจึงต no um ิดเพราะติดจึงอยากเพราะอยากจึงสูบเพราะสูบจึงติดเพราะติดจึงอยากตัดการตอนั้นไม่สูบก็ไม่ติดไม่ติดก็ไม่อยากไม่อยากก็ไม่สูบไม่สูบก็ไม่ติดไม่ติดก็ไม่อยากตัดเฉดเลยแบรเหมือนคงเกียนตัดออกเบรไปเลยทิ้งไปทำไมทิ้งไปก็ไม่ทิ้งแต่ยังไม่กำยังทิ้งไปเนา ไม่มีที่จบที่ชิ้นบางคนไม่ดูจากตัวเองไปห้ามไม่ใ ห, มม ห, มมหมไไ้มันอยากไม่ให้มันอยากมันห้ามไม่ได้มันอยากตอนชี่มันติดที่มันเป็นกิเลสกำ ม, มิวากไปคิดเรื่องใดไปทํากับเรื่องใดติดอะไรมา อิบอกเลยตีเดียใช้ชีวิตแบบไหนปื้เพื่อนยังไงสุขสนยังไงมามาตัดกรรมซะรู้สึกตัวรู้สึกตัวซะไม่มีสติรู้สึกตัวเนี่ยตัวใครตัวมันมีปัญหาอะไรก็ปรึกษากันได้ไม่หลงทิศหลงทางละเรื่องนี้ ว่าแต่พูดในฟองเวลารทำมันเกิดอะไรขึ้นมีพระอาจารย์อยู่ที่หลายรูปพระพุทธเจ้าไม่โกหกพวกเรามีอยู่จริงมาทำพระพุทธมิภากเจ้าตัดไป้ดีแล้วผู้ศึกษาปฏิบัติปึงทําด้วยตนเองให้ประโยชน์ได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการ ควรเรียกผู้อื่นมาดูควรน้มมาใส่เราประชจันดูยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรลูกเห็นตามสมควรแก่ผู้ปฏิบัติปัจจตังลูกเองเฉพาะตัวแบ่งกันกันไม่ได้เป็นปัจจตังของตัวใครตัวมัน ดูยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นทำทุกวนปฏิบัติคือ ท, ทำอย่างไรมันหลงหนึ่งข้างรู้หนึ่งข้างมันหลงสองข้างรู้สองข้างมันหลงสามข้างรู้สามข้างนี่สมควรแก่ผู้ปฏิบัติวินาทีหนึ่งรู้สิบสี่จังหวะจังหวะหนึ่งแต่ละวินาทีรู้ทุกวินาที ถ้ามันหลงจะได้ใช้ความรู้พักกรรมารู้กลับมาได้มีนิมิตมีที่อาศัยมีกรรมที่อาศัยเงินเต่ามันก็ดองเวลามันตื่นศัตรูมันก็หดวายะเข้าในกระดองกรรมฐานคือกระดองของเรากลับภาษาเดี๋ยวนี้เราไม่ใช่ไาคิดแต่อะไรนะเรามาฝึกกรรมฐานให้รู้จักตัวนี้ กลับมารู้สึกตัวหนึ่งเช่นประสิทธะคิดถึงพิมพ์พากลับมาไม่ใช่มาคิดถึงพิมพ์พาคิดไปจริงกลับมาคิดถึงลาหุนกลับมาคิดถึงพระราชทรัพย์สินเสะดึงคารกลับมาคิดถึงประสาทสาฤดู้ล ก, กลับมาหัวต่อยฝนตกทำท่ายเป็นไข่รู้สึกตัวขึ้นมา บางทีเห็นสลดเลยขานว่าจะ ก, กลัวงูกลัวอะไรกำมาลู้สักตัวเนี่ยคือกบมาเนี่ยกรรมฐานกลับมาปฏิให้กลับม า, ากลับมากลับม า, บมาไม่ไปกรรมงานที่ตั้งนี่ยวันที่สองก็แก่ข้ากึนกรรมฐานแก่ข้ากึนง่ายง่ายที่จะรู้รเลยบอ็รู้เนี่ยมันมาก ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นเป็นมหาลูกใช่ไม่หมดเหมือนเงินหวนทองที่มีมากก็ใช่ไม่หมดเลยเป็นสติปัฏฐานไปในกายกายใจเป็นอสติเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของจิตใจจับกายมาใช่จับใจมาใช่จับตาจับหูไม่ใช่สําเร็จประโยชน์ ถ้าความหลงเป็นเจ้าของความโกรธความทุกข์เป็นเจ้าของไม่ใช่ผิดเป็นทุกข์เป็นโท ษ, โทษไม่อยากคิดนั้นก็คิดมีบ้างไหมไ ม, มันใช่เราเอาความคิดมาเป็นเราเช่นความโกรธมันเป็นอา<ม>การอันหนึ่งเกิดกับิตไม่ใช่จิต ก็เราก็ถือความโกรธว่าเป็นจิตใมันไม่ใช่ความโกรธเป็นอา ก, การอนหนึ่งเกิดกับจิตไม่ใช่จิตความทุกข์เป็นอา ก, การหนึ่งที่เกิดกับจิตเกิดกับกายไม่ใช่กายเป็นอา ก, การที่มันมีอยู่ธรรมชาติธรรมดา ของกายของใจของรูปของนามเราก็เห็นแจ้ตามความเป็นจริงลอยทั้งลอยไม่จริงความโกรธเป็นจริงอวผมไม่โกรธันจริงที่สุดเลยความทุกข์ก็ไม่จริงามไม่ทุกข์มันจริงที่สุดเล ย, มมเลยขอให้มีมาเถิมีความรู้สึกตัวไปล้าจะเป็นอย่างไร แต่เป็นเช่นไรถ้าทำแต่นี้นะถ้ามาทานี้จะเป็นเช่นไรชีวิตเราต้องอยู่ในกามือเรามีสิทธิมันหลงมีสิทธิไม่หลงมันทุกมีสิทธิไม่ทุกมันโกรธมีสิทธิไม่โกรธไม่ต้องขอญาจากใครสิทธินี้ชอบทำอยู่โดยชอบก็อยู่แบบนี้ ที่สุดทั้งหลายเมื่อพวกเธออยู่โดยชอบโลกจะไม่ว่างจากพระละหันคืออยู่อย่างเนี้มันหลงรู้จักตัวอยู่โดยชอบแล้วมีสติเป็นหน้าโลกเหมือนพระขี่นเ น, น, นอศผู้มีสติเป็นไม่ไหนขี่เนอกคือพระละนมีสติเป็นไม่ไหนเป็นหน้าโลกอันมาก เป็นน่าโลภมาทางไหนโล ก, โลกได้พรขี่นาศพุู้มีสติไปไม่ไหนอุชุงก็ยังปริมุขขังสติงวตเตเปตวมีสติเป็นน่าโลภเหมือนพระขีนาศพผู้มีสติไปไปม่ม ไ, หหม ไ, หม ไ, ไหนไรเผอเนี่ยเข้าวงในไปเลยเป็นศิงเป็นธา ร, รมทิปัญญาไปเลยปฏิบัติกรรมฐานเนี่ย พระเจ้าอยู่นั่งต้นพระเจ้าประทับอยู่ต้นฉีหมหาโพธิ์ไ ม, ม่ได้ขอสินขออะไรมันจนกวายเป็นศินเป็นสมาธิเป็นปัญญาไปเลยมีสินเราจึงรู้มีสมาธิเราจึงรู้มีปัญญาเราจึงรู้สินมาช่วยสมาธิช่วยปัญญาช่วยจนจนจนจ น, จนสะดวกเกจนกลมสะดวกเราจึงรู้ว่าเออตัวเรามีศิน ตัวเรามีสมาธิตัวเรามีปัญญาใส่ใจใี่รู้เนี้ยโอ้ความใส่ใจรู้อันนี้ทั้งเดียวเนี่ยเป็นสมาธินัเนี่ยมันหลงรู้สมาธิมาไม่เฮหลงเป็นหลงมันมีสมาธิมันรู้มันห ล, ลงไม่ใช่รู้นี่เป็นสมาธิมันมันถูกต้องนี่เรามันมีปัญหาเกิดขึ้นว่ารู้เปลี่ยนมาเป็นรู้มีปัญญา เป็นทั้งศีลเป็นเสริมทั้งสมาธิเป็นทั้งปัญญาปฏิบัปธรรมเนี่ยเป็นศีลขันเป็นศีลสิกขาไม่ใช่ศีลสมาทานศีลสมาทานต้องเป็นศีลสมาทานคือศีลห้าศีลแปดศีลสิศีลสิบสองลอยยิบก็ดเมรี ปัญจศิลานียาจามิสมาธียาจามิอะไรังไงก็ยังไงเอ้อิมานิปัญจสิขาปธานิสมาธียามิข้าพเจ้าสมทานสิกขาบทห้าข้อนั่นฉินสมทานอิมานิปัญอิมานิปัญจสิกาบทานิสมาธียามิข้าพเจ้าขอสมทานสิกขาบทแปดข้อ อีมน้าจิตาสทานน่สมาธิมีเ้าย่อกขอสมทานจิตขาหมดสิบข้อส่วนฉินจิตขานี่ทำลายกิเลสฉินสมทานจังทำลายกิเลสไม่ได้เลยเท่าไหร่นิดๆหน่อยๆินจิตขานี่มันทะหลงทะหลงย่อยอาไปลยเยอแต่เนื้อ เราจึงต้องนี่และยกมือเคลื่อนไว้นี่เป็นการสมาทานเป็นการเป็นการเจริญในฉิญฉิคาเราถลุงแล้วหลงเป็นลูกผิดเป็นลูกทุกเป็นลูกลองดูเช่นมันก็เป็นการรักษาสีญแล้ความช่วยทำควมดีไปในตัวเสร็เรานั่งอยู่นี่มันลู่ขึ้นมาเนี่ยวันได้คิดอะไรไปไหม คิดไปก็รู้หมือนได้ไปทําอะไรเลยนี่นะไปพูดไปฟังดืนหยัดริงที่พูดนี่อยู่ในชีวิตเราทุกคนบม่ได้จำใครมาพูดเอาจากความเป็นจริงความหลงไม่จริงมันเกิดมาแล้วความหลงนะ่ะเรารู้สึกตัวจริงกลัวความหลงเคยเกิดมากับตัวเองความทุกข์ไม่จริงกลัวมไม่ทุกข์คือความรู้สึกตัวมันจริงกลัวความทุกข์เคยได้มาแล้วมันจริง ร่วงพุ่นเพราะว่าเก่าเก่าหมอด้วยกรรมฐ า, านแบบนี้มีเหมือนกันกิเลสขามีเหมือนกันตัญหาก็มีเหมือนกันไม่มีที่ให้ตั้งมีแต่สติตั้งไว้ได้ยินไหมสำคัญเจเวลาอาภัพพ้องกัน